อรุณสวัสดิค์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยคะ่ะในรายการธรรมารับรุนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะสำหรับในเช้าวันอาทิตย์ที่เราพบกันวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2554คะ่ะวันนี้เป็นวันขึ้น12ค่าเดือน11ปีเถาะนะคะถ้ามองตามปฏิทินแล้วเนี่ยในวันพุทธที่จะถึงนี้นะคะก็จะเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน11 ในปฏิทินก็จะเขียนไว้ว่าเป็นวันปรวรณาออกพรรษานะคะดังนั้นเช้าวันนี้รายการธรรมรบรุนก็ขออนุญาตที่จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบุญอภิบุโ น, โนซึ่งท่านก็เป็นลูกศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดอรสะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทิภพย์ปภกรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกที่ตั้งอยู่ที่ตําบลดอนหายโศกอําเภอหนองหารจังหวัดอุดรธา น, นีนะคะแล้วก็ มารับฟังพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนพระอาจารย์ของเราได้พูดคุยให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของอการโควิด -19 แล้วก็วันออกพรรษาด้วยนะคะขออนุญาตท่นผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนพร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขา สาเจ้าค่ะขอความเมตตาพระอาจารย์นะเจ้าคะอย่างที่ยมได้กล่นไปแล้วว่าหรืออีกประมาณ3วันเราก็จะถึงวันโภระนาออกพรรษาตามปฏิทินแล้วนะเจ้าคะอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ชี้แจงแสดงธรรมหรือสาธกช า, าพูดคุยเรื่องอเกี่ยวกับการโภระนาแล้วก็การออกพรรษาสักนิดนึงเถอะเจ้าค่ะเพื่อว่าเป็นความรู้แล้วก็เป็นสิริมงคลแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านเจ้าค่ะปราบนิมนต์เ<ม>จ้าค่ะอะาารย์บอก็ในช่วงออกพรรษา ก็ท <c oughs> ี่จะมาถึงวันในวันที่12ที่จะถึงนี้นะก็ <Okay. S 1> เป็นวันที่เราเรียกกันว่าวันปวารณาสําหรับพระสงฆ์ก็จะมีคําศัพท์ที่เรียกว่าปวารณาปวารณา <Okay. S 1> ปวารณาเนี่ยมันแปลว่าอะไรใช่ไหมมันก็มีอยู่สองในยะในยะแรกเนี่ยถ้าเป็นคารวาใจกับพระสงฆนะ์ก็เป็นเหมือนกับการออกตัวให้ขอได้ หรือออกตัวรับใช้อย่างเช่นสมมติว่ามีคารวาะผู้หนึ่งนะมาคุยกับบ่าวแตมาว่าอขอปรณนารับใช้พระคุณเจ้าจะเดินทางไปไหนก็ให้เรียกใช้ได้การกร ะ, ปปะทำอย่างนี้เรียกว่าเป็นการป ร, รนนะ่าคือออกตัวให้ใช้ได้ออกตัวให้กล่าวโทษได้ให้ว่าได้นะหรืออย่างลูกศิษย์มาขอให้ออกตัวให้กล่าวว่าได้นะถ้าทําอะไรไม่ถูกให้อบรมสั่งสอนได้นี่ก็เรียกว่าปรนน่าคือปรณนาเนี่ยต้องเป็นคนอื่นมาทํากับเรา หรือเราไปทํากับคนอื่นให้เขาว่าเราหรือคนอื่นมาทํากับเราให้เราไปว่าเขาหรือขอเขาได้ลักษณะนี้ <Okay. S 1> แต่ถ้าเป็นพระกับพระด้วยกันนะหรือค า, ารวะกับค า, ารวะด้วยกันก็ใช้คําว่าเป่ารณาได้ป่ารณาในที่นี้ก็คือหมายความว่าให้กล่าวโทษได้นะคือภิกษุที่อยู่ร่วมกัน3เดือนในอาวะอาวาะหนึ่งอย่างนี้นะ <Okay. S 1> พออยู่ด้วยกัน3มเดือนแล้วเนี่ยในวันสุดท้ายของเดือนที่สซึ่งในกรณีนี้ก็คือวันเพ็ญเดือน11 ขึ้นสิบห้าค่ำถึงสิบเอ็ดเนี่ยผู้ชอบก็อนุญาตให้มีการกระทําที่เรียกว่าปวารณาคือให้ภิกษุทั้งหลายเนี่ยมากล่าวโทษกันกล่าวโทษนี่คือไม่ใช่ว่าหาเรื่องด่านะาคือคอยตักเตือนกันและกันให้ออกจากอาบัตินะสมมุติว่าอจาจมาอยู่ในอาวาสใช่ไหมอาจจะมีพระรุ่นพี่หรือรุ่นน้องก็นี่แหละนะธรรมาก็จะบอกอ้าวันนี้เป็นวันปวารณาถ้าท่านผู้ใดเห็นว่าครข้าพเจ้ามีเรื่องอะไรที่น่าติดเตียนในเรื่องสิ่งใดๆก็ขอให้กล่าวโทษได้ ว่าอ่างนี้อา่าคนนี้ก็จะพูดขึ้นมาอา้าวท่านอาจารย์ไพ่บุญวันนั้นเห็นนั่งสมาธิอยู่แล้วตบโยงไม่รู้ยุงตายหรือเปล่านะนี้น<า>นพูดเล่นเล่นเฉยๆนะเจ<า>้ะค่ะอ่า ก, ก็เราก็อาจจะบอกว่าอ่ายุงไม่ตายนะแต่ปัดเฉยๆนะก็<า> ก, <ๆ>ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ไม่ถือว่าเป็นอาบัติแต่มันหรือว่าถ้าวันนั้นหลวงพ่ อ, อขออาภายัยกอจะเล่าเรื่องหลวงพ่อให้ฟังหลวงพ่อ <laughs> ก็ถู ก, <า>กยุงกัดอ่ะคุณเตืนใจ ที่แขนใช่ไหมท่านก็เอานิ้วไปเขีย่ยเขีย่ยๆมันนะ่ะแล้วติดแน่นมากยุงก็าตายแล้วเย็นนั้นเลยหลวงพ่อก็มาขอปรงอาบัตกับอาตมาว่าท่านอาจารย์ท่านไันบูรณ์วันนี้หลวงพ่อไปเขี่ยยุงให้มันไปแต่มันไม่ไปมันติดแน่นแล้วมันก็ตายเลยตรงนั้นก็เลยมาขอปรงอาบัตอย่างเงี้ยน ะ, ะซึ่งแม้อาบัตเล็กๆน้อยๆเนีย่น ย, ย, ยถ้าเรารู้เราก็รีบแก้ไขเพราะฉะนั้นพระสงฆ์เนี่ยก็จะมีระบบที่เรียกว่าการปวารณาคือการ ออกตัวให้คนอื่นกล่าวโทษได้ ค, คือคอยรับรับข้อตักเตือนของบุคคลอื่นอยู่เสมอเสม อ, อคือการปรารณนาเนี่ยที่ทำอย่างเป็นทางการก็จะเป็นในวันออกพรรษานะแต่โดยปกติอย่างพิสูจน์ที่อยู่ในอาวาตเดียวกันเนี่ยก็จะคุ้นเคยกันอยู่แล้วก็จะสามารถคอยตักเตือนซึ่งกันและกันจะเป็นภาะรุ่นพี่รุ่นน้องถ้าเป็นรุ่นน้องอย่างเงี้ยจะมาชี้แจงอะไรก็ขอโอกาสก่อนได้สามารถทาได้ นะพะภิกษุที่มีภาษาอ่อนกว่าก็ขอโอกาสในการที่จะกล่าวอะไรขึ้นมาก็สามารถทําได้อย่างนี้นะบางที<ช>มันก็พลังเผลอไปมันก็มนะีอย่างมีบางครั้งคืออย่างพระสงฆ์เนี่ยห้ามขากเสเลดลงในบนของเขียวอย่างเช่นต้นไม้เป็นต้นน ะ, ะอะืมีภิกษุรูปหนึ่งอมาเคยไปอาวาสนู่นอยู่ที่ปฐุมธานีอพระท่านหนึ่งท่านก็เป็นอะไรอ่ะเป็นไซนาสนะแล้วก็มี<ช>สเลดอยู่ตลอดเวลาท่านก็ต้อง เขาเรียกไปถุยน้ำลายออกมาใช่ไหม <Okay. S 1> ถุยน้ำลายก็ถุยน้ำลายล ง, ลงพื้นดินเนี่ยก็ไม่เป็นอะไรแต่พระองค์อื่นเนี่ยเขาเห็นมาจากมองมองมุมหนึ่งไกลๆเนี่ยเห็นว่าเป็นเหมือนกับโดนลงลงต้นไม้ใช่ไหมพอ mm hmm. วัน <Okay. S 1> ปรารถาท่านก็เลยมาถามว่าเออวันนั้นที่เห็นท่านขากเสลนออกมาเนี่ยไม่แน่ใจว่าโดนต้นไม้หรือเปล่านะท่านก็จะชี้แจง mm hmm. ว่าอ๋อวันนั้น <Okay. S 1> ไม่โดนนะเป็นเพราะมุมกล้องมันค้งละมุมอะไรกับวาไปอย่างเงี้ยนะเป็นอย่างนี้ก็มีเลยถ้าผิดจริงก็ปรองอาบัติกัน เป็นการแก้ไขกันอืมเยอค่ะอันนี้ก็คือการปรวารณนาซึ่งตัวอย่างตรงเนี้มีมาในตั้งแต่สมัยอุทกานเลคุณเดินใจพระพุทธเจ้าเองอะพระพุทธเจ้าเองนะสมาสพุทธเจ้านะตอนนั้นนั่งอยู่เป็นรันออกปัรษานะตอนนั้นก็ยังคือคือกำหนดให้มีการจำปรรษาละ่ะแต่ยังไม่ได้มีการให้การปรารณานะนั่งอยู่นั่งนิ่งกันอยู่อะไรพิสุเต็มไปเลยนะท่านภาษาริบุตรก็อยู่อะไรก็อยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าก็เลยกล่าวขึ้นมาคําหนึ่งเอาละวันนี้ เป็นวันอุโบสถ15คห้านะในราตรีนี้เป็นวันเพ็ญเป็นวันปวารณาอา้าวภิกษุทั้งหลายเจ้เธอจะกล่าวโทษเรานะในเรื่องกรรมใดาทางกายทางวาจาทางใจที่จะติเตียนเราได้มีไหมถ้ามีก็ขอให้กล่าวขึ้นมานะราพระเจ้าพูดอย่างนี้นี่สา ม, มารถสมพุทิเจ้านะอันนั้นเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมเจ้าพะอาจารย์กล่าวอย่างน้นแล้วท่านภาษาริบุตรก็ปุ๊บปั๊บขึ้นมาเลยคุณเตจัยกราวพระพุทธเจ้ามับมับม๊บ เราก็บอกโ อ, โอ้ย <Okay. S 1> ธรรมวินัยนี้มีพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้เป็นผู้ให้เป็นผู้ต้านทานนะเป็นที่พึ่ง <_ S 1> เป็นที่ต่านทานที่ไหนจะมากล่าวโทษพระพุทธเจ้าได้ข้าพระองค์นี่แหละ <_ S 1> นะ <_ S 1> มีกรรมทางกายทางวาจาทางใจใดไหมที่พระพุทธเจ้าจะติดเตี่ยนได้บ้างนะวิส <Okay. S 1> ุทธ์อื่นก็เหมือนกั น, ก, ก, นก็คือลุกขึ้นมาแล้วก็ให้ให้กล่าวโทษ ต, ตัวเองนะงงงงงงงงงองค์อื่นก็ทําเหมือนกัน นะโดยพระชาะเริ่มทํำก่อนซึ่งเป็นรูปแบบการทําเหมือนอย่างที่พระกันทำในทุกวันนี้เลยนะ <Okay. S 1> ไม่ว่าจะเป็นอาวาสไหนคุณเตือนใจพระสมมติอย่างวัดบวรอย่างเงี้ยมีพระตั้งร้อยกว่ารูปนะก็ <Okay. S 1> ในคืนวันออกพรรษาเนี่ยรูปหนึ่งขึ้นมาเลยก็จะพูดเป็นภาษาบาลีแต่แปลความว่าอา้าวมีกรรมใดทางการวาจาใจที่ท่านทั้ไหนจะติดเตียนข้าพระเจ้าไหมนิ่งอยู่ถ้ามีคนหนึ่งก็จมพูดถ้าไม่มีองค์ที่สองก็ลุกขึ้นพูดจนกระทั่งครบร้อยกขององค์นั้นอนะ ไล่ไปไล่ไปทุกองต้องต้องกล่าวอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่เป็ น, เ ป, นเป็นคําพูดที่เราจะต้องกล่าวซึ่งท่านนาอาวาสที่เขาสามารถขี่กันเนี่ยน ะ, ะก็จะมีการกล่าวตักเตือนกันอยู่แล้วน ะ, ะเป็นเป็นลักษณะนั้นถึงจะถึงจะถูกต้องตามธรรมวินยัยนะซึ่งเราเป็นคารวาสก็เหมือนกันบางทีคนเป็นเจ้านายหรือเป็นครูบาอาจารย์อย่างงี้นะ มันก็อาจจะมีโอกาสพลั้งเผลอได้อย่างแม้แต่พระอรหันต์เองก็ตามผู้เชา่าเขายังบอกไว้ชัดเจนว่าคนที่เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยก็ยังอาจจะมีโอกาสผิดอาบัติเล็กๆน้อยๆบ้าง เ, เพราะว่าไม่มีใครจะมาตีเตียนอาบัติเล็กน้อยนั้นด้วยการปิดปั้นมรรคผลนิพพานใะนอย่างบางทีอาบัติเล็กน้อยอย่างเช่นอะไรล่ะเดินกระโยงอย่างเนี้ยเดินกระเยงเท้าไปกระโดดอย่างนี้ก็ถือเป็นอาบัติเล็กน้อยอบางทีมันก็ เผลอได้บางทีมันมีเหตุการณ์ที่ต้องทํามันก็เป็นไปได้อืเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นอย่างคุณบาอาจารย์บางท่านก็จะออกตัวให้ปรารณาให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยถ้าเห็นหรือว่าจะเป็นกราวาก็ตามจะเป็นพระก็ตามเนี่ยถ้าเห็นอะไรผิดให้มาบอกนะที่ตัวเองทําล้วก็มีอย่างนี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่ที่เป็นระบบแลเมื่อเราได้ฟังฟังเจ้าค่ะขออนุญาตเจ้าค่ะคือถ้าเราได้ฟังแล้วนี่ยเจ้าค่ะอย่างคนมาปราราเราแล้วเนี่ย พูดขึ้นมาว่าเราทําอะไรไม่ดีแล้วนี่นะเจ้าคะในทางของพระพิสุทธินั้นจะดาเนินการอย่างไรต่อไปเจ้าคะก็จะต้องเป็นการสอบสวนคือหมายความว่าถ้าเป็นอาบัติจริงใช่ไหมถ้าเป็นความผิดจริงเนี่ยก็จะต้องมีการสอบสวนเขาเรียกว่าอาธิกรณ์นะคืออธิกรณ์หมายถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นมีคนมาโจทย์มีคนมาโจทย์พระภับูรณ์พระภับูรณ์ทํากิริยาไม่เหมาะสมอย่างเช่นผายลมดังผายลมดังนี่มันมันผิดอาบัติไหมก็ต้องมีการไปตรวจสอบใช่ไหม เอมัน <Okay. S 1> ไม่มีนะไม่มีวินัยข้อไหนว่าห้ามผายลมดังเเพราะนั้นงั้นการผายลมดังไม่ถือว่าเป็นความผิดนะก็ไม่ผิดอะจะไปปรับอาบัตท่านก็คงไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นน ะ, ะแต่ว่าถ้ามันเป็นกิริยาไม่เหมาะสมนะก็อาจจะต้องมาลงความเห็นกันว่าควรจะทำยังไงนะข่าวต่อไปก็ให้ทำกันอย่างนั้นก็เป็นไปได้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นอธิกรณ์เป็นเรื่องราวที่ต้องมีการระ ง, งับซึ่งการระ ง, งับตรงนี้เนี่ยมันก็มีหลายวิธี บางทีผู้เช่าก็ให้ประชุมกันพร้อมหน้าทําไมในคืนวันออกพรรษาอย่างเงี้ยจะต้องมาประชุมกันพร้อมหน้าแล้วทุกคนก็กล่าวขึ้นเพราะว่าผู้ที่ถูกโจทย์ก็อยู่ในที่นั้นผู้ที่โจทย์ก็อยู่ในที่นั้นทุกคนอยู่ในที่นั้นหมดเลยสามารถประชุมกันได้ทันทีระงับอธิกรณ์กันได้ทันทีแล้วในสมัยนั้นมีภิกษุกลุ่มหนึงคุณเดินใจเขาอยู่กัน3เดือนเนี่ยนะเขาไม่พูดอะไรกันเลยนะนิ่งเงียบคือสมาทานการไม่พูดผู้เช่าใช้คำว่ามุขวัต มือนอย่างพระบางรูปเดี๋ยวนี้ก็มีะน ะ, ะซึ่งบางที่บางปฏิบัติเนี้ยไม่พูดหกเดือนไม่พูดสามเดือนไม่พูดเจ็ดวันอย่างเงี้ยนะนิ่งอยู่คนเดียวไม่พูดเลยไปกินข้าวก็ไม่พูดกับใครเอเขาเรียกว่าหลีกเรนอยู่แต่ว่าการลีกเร้นตลอดสามเดือนเนี่ยพวกผู้เชี่ไม่ให้ทําคือเจ้าคเชอ่ยวเคยเปรียบเหมือนกับการพวกพวกสัตว์โควัวควายเนี่ยน ะ, ะเขาอยู่ในขอ้อเดียวกันนะเป็นปีๆเขาก็ไม่พูยกันนะ เพรเราอยู่ด้วยกันสามเดือนไม่คุยกันนี่มันมันเหมือนอยู่เหมือนวัวเหมือนควายว่างันก็<ว>นนไม่ไม่ให้ทําเออ่าเพราะนั้นก็จึงให้มีการแต่การกล่าวเนี่ยให้กล่าวเป็นธรรมเป็นวิ น, นัยให้มีการกล่าวตักเตือนเช็คชักชวนกันให้ออกจากอาบัตอย่างนี้พูดได้แต่อย่าไปย<ช><ด>ินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะอ่าอย่าไปยุ่งกันมากแต่ถ้าพูดคุยก็คุยเป็นเรื่องเป็นธรรมเป็นวินัยกล่าวเตือนกันให้ออกจากอาบัตอย่างนี้ได้เจ้าค่ะ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทําได้นะเจ้าค่ะเรื่องปรวนาเนี่ยหลายคนจะไม่ค่อยทราบเพราะว่าเป็นเรื่องของพระจริงๆส่วนในยะที่คารวะจะมาปรวนากับพระสงฆ์นี่ยก็จะเป็นการถวายของการให้ทานการปรวนาการให้รับใช้อย่างนี้มากกว่ า, าซึ่งน่าจะเป็นทางมาแห่งบุญของเขาหลักเจ้าค่ะลักษณะก็เรียกว่าสําหรับคารวะทั่วไปนี่ก็สามารถปรวนาได้แต่ในแง่ของการที่จะให้พระอาจารย์หรือว่าท่านพระสงฆ์ ผู้ทรงคุณนันทเสริจนั้นเนี่ยเป็นพระอาจารย์ว่ากล่าวตักเตือนในการที่ทําอะไรไม่ดีได้นะเจ้าคะนอกจากนั้นก็ยังโปรณนาที่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่จะกราบรับใช้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะใช่ใช่เจ้าค่ะทีนี้พอคุยมาถึงตรงนี้เจ้าคะ่ะพระอาจารย mm ์เผยบุญเจ้าคะ่ะโยมคิดว่าคงมีท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านที่อ่านข่าวหรือว่าดูทีวีดูยูทูบต่างๆเนี่ย ก็คงจะมีข่าวอันนึงที่เกี่ยวกับพระสงฆ์เรานะเจ้าค่ะโยมก็ไม่อยากหยิบยกขึ้นมาถามแต่ว่าคิดว่าคงมีท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านอยากจะรู้เหมือนโยมเจ้าค่ะว่าการที่พระพิสุกรูปนั้นซึ่งท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะเจ้าค่ะปฏิบัติอย่างนั้นหรือว่าแสดงกิริยาอย่างนั้นซึ่งเราไม่เคยเห็นพระสงฆ์ในพุทธศาสนาองค์ใดเลยที่จะ มีกิริยาเช่นอย่างที่ท่านได้ทําอย่างที่เราดูผ่านยูทูบเนะเจ้าคะ อ, อันนี้นี่ไม่ทราบว่าตามตามหลักของพุทศาสนาแล้วนี่ได้มีการกําหนดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมเจ้าคะว่าเป็นการผิดศีลหรือไม่อย่างไรแล้วก็เป็นการสมควรหรือไม่อย่างไรที่ท่านจะประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นซึ่งเราเกิดมาไม่เคยเห็นเนี้ยเจ้าคะ่ะกราบนิมนต์เจ้าคะาก็อ่อานี้ต้องขอออกตัวก่อนนิดนึงเพราะว่าคือการที่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องราวเกิดขึ้นเป็นอธิกร เพร<จ>าะนั้นอาตมาเนี่ยคือภิกษุที่จะมาชี้แจงเรื่องอธิกรณ์ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่ได้รับมอบหมายมาอาคือ<จ>คือจะเป็นคนชี้แจงเรื่องคือมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นในบ้านเมืองใช่ไหมซึ่งคนเขาไม่พอ<จ>ใจกันบ้างคนพอใจก็มีคนสนับสนุนก็มีคนที่ไม่สนับสนุนก็มีคนเห็นเป็นอย่างอื่นก็มีใช่ไหมมันเป็นเรื่องอธิกรณ์ละเพราะนั้นการระ ง, งับอธิกรณ์เนี่ยต้องขึ้นศาลสารสง่งะนะก็คือต้องมาอห<จ>มูคนะ่คณะมาประชุมการระงับอธิกรณ์ได้ผลยังไงเอามาประกาศ ต้องมีเขาเรียกว่าโคศกนะซึ่งอันมาไม่ได้รับมอบหมายตำแหน่งนั้นเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ไปอยู่ร่วมในการที่เขาจะระ ง, งับอธิกรณ์อะกันเราก็ไม่รู้แต่ถ้าพูดตามหลักธรรมวินัยเราพอจะพูดได้แต่ได้ในกรณีของนั้นอันดามาไม่ทราบแต่ถ้าพูดตามหลักธรรมวินัยเนี่ยการพูดว า, าจาที่หยาบที่ส่อเสียดหรือว่าไม่สุภาพเนี่ยก็จะผิดอาบัตเบาเขาเรียกว่าอาบัตทุพภาสิทธนะ์เป็นอาบัติเบา นะสามารถแก้ด้วยการปรงอาบัตได้นะลักษณะนี้แล้วก็ถ้าการชี้แจงที่อะไรที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินยัยมันก็ไม่ควรทําอะไรที่ชี้แจงที่เป็นธรรมเป็นวินยัยก็ควรทําได้อย่างงี้นะะแล้วก็ถ้าการบอกสอนเนี่ยมันมันก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ให้ถ้าเราพูดตามคําพุทธเจ้านะก็จะไม่มีปัญหา ถ้าคคถ้าสมมติว่าเราเอาคำพุทธชามาพูดเลยอ่ะนะก็จะจะเป็นสิ่งที่ตรงต่อสมาธิจิตละ่ะก็จะเป็นสิ่งที่ง่ายเข้าใจง่ายละ่ะอืมคคเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยแล้วสําหรับ ค, ค, คนที่ฟังเนี่ยจะต้องทอําใจยังไงทําจิตยังไงนี่คือเรื่องสําคัญสมมุติคคเราเจอสิ่งเจอภาษาที่เราไม่ชอบใจอะ่ะฟังสิ่งนี้เห็นสิ่งนี้แล้วมันโอ้ยคลายหูฟังไม่ชอบนะเราจะทํำยังไง ซึ่งพรุทธเจ้าก็บอกไว้แล้วว่าเวลาเจอสิ่งที่ไม่พอใจนี่ก็จะต้องมีกุศโลบายในการที่จะปล่อยวางนะ น, นี้ที่หนึ่งวนที่สองเนี่ยก็จะต้องอดูเนื้อความนะทรงจาเนื้อความนั้นไว้ก่อนคือถ้าเราจะสมมติคำด่าเนี่ยทำคำด่าที่เราไม่พอใจเนี่ยถ้าเธอมีความโกรธเครืองวเกลียดชงังกระฟัดกระเฟียดนะอันนี้ เธอจะไม่รู้เลยว่าอันนั้นจริงหรือไม่จริงแต่ถ้าเป็นคำ <Okay. S 1> ชมที่โอ้เ ล, ลิศหรูทำให้เรายินดีพอใจลอยขึ้นมาเลยเธอก็จะไม่รู้ว่าคำกล่าวนั้นจริงหรือไม่จริง <Okay. S 1> ระัะนั้นหน้าที่ของเราก็คือว่าให้ใจนิ่งๆไว้ก่อนนะฟังคำที่เขาพูดให้ดีแล้วว่าเขาพูดอะไรกันแน่นั้นะแล้วก็ให้มาเทียบเคียงในสูตรเทียบเคียงในวิไนว่ามันตรงกับที่พระเจ้าสอนไหมอ๋อส่วนตรงก็มีส่วนไม่ตรงก็มี ใช่หมงั้นส่วนที่ไม่ดีทิ้งไปส่วนที่ดีเราเอาอไปใช้แค่นั้นเองเราจะสบายใจอยู่ได้เราจะสบายใจอยู่ได้อย่างนี้นนะจ้าค่ะโยมกลิ้งใจพระอาจารย์ไพบูลอภิปุโนอย่างมากเลยนะเจ้าค่ะที่ทำให้พระอาจารย์ลำบากใจที่จะพูดถึงประเด็นนี้นะเจ้าค่ะ <laughs> แต่เนื่องจากรายการธรรมาราบรุญของเรานั้นเนี่ย ก็มักจะดึงเรื่องของเหตุการณ์ทั่วๆไปที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีเนี่ยมาสากชาคือมาสนทนาให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังเป็นความรู้กันนะเจ้าคะดังนั้นจึงได้หยิบยกเรื่องนี้มากราบที่จะเรียนถามพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุโนนะเจ้าคะนี่ประเด็นหนึงที่โยมคิดว่ามีหลายท่านนะเจ้าคะที่ยังติดใจอยู่ก็คืออย่างเมื่อสักครู่พระอาจารย์บอกว่าตอนที่อยู่ระหว่างพรรษาเนี่ยเจ้าค่ะก็หรือว่าแม้แต่ธรรมดา พระสงฆ์จ ะ, ะหมายถึงบ้วนน้ําลายหรือว่าขากเสลยนะเจ้าคะไปบนสิ่งที่เป็นสเสียวคือต้นไม้ก็ยังไม่ได้เลยนะเจ้าคะแล้วก็เดินโยงเท้านี่บางทีจะไปเหยียบสัตว์ตัวเล็กๆท่านก็นอาจจะต้องโยงเท้าแล้วก็กระโดดข้ามไปอะไรอย่างนี้นเจ้าค ะ, ะนั่นก็ยิ่งมีพระธรรมวินยัยที่จะห้ามไว้แต่ในกรณีที่เราได้ออกเห็นเป็นข่าวทั่วไปแล้วก็ดูในภาพของคลิป ที่ในยู u ูบนะเจ้าคะก็ศกท่านนั้นท่านก็ทํายิ่งยิ่งกว่าการโย่งเท้านะเจ้าคะทำอะไรหลายๆอย่างเนี้ยซึ่งเราคิดว่าสมควรอันนี้มันมีในพระธรรมวินัยไหมเจ้าคะที่ว่าจะจะมีไปเจ้าค่ะมีสมมุติอาตมาไปตีสมมุติอาตมาเตะคนนี้เตะเตะเนนเตะพระสงฆ์เตะคารวาสผู้ชายก็ตามผู้หญิงก็ตามใช่ไหมเตะเนี่ยนะตีปุ๊บกระทืบเหยียบพวกนี้เขาเรียกว่าการประหาร การประหารนี่หมายถึงว่าการซัดออกไปนะซัดด้วยมือก็ตามด้วยสมมติโขกหัวเอาหัวเราไปเคกหัวเขาอย่างเงี้ยนะเ<จ>ขาเรียกว่าเฮดบัตนะคือเอาหัวทิ่มมาแคนะ ก, ก, ก็เป็น ก, กา ร, รประหารเหมือนกันคือการประหารเนี่ยไม่ใช่ว่าฆ่าให้ตายนะแต่เป็นการซัดออกไปซัดโดยใช้ส่วนต่างๆของร่างกายก็ตามใช้ไม้เรียวก็ตามเป็นอาวุธอย่างเงี้ยนะถ้าโดนเขาทําด้วยความโกรธนะทำด้วยความโกรธ ถ, นะ ถ, ถือว่าเป็นอาบัตนะเป็นความผิด คือคือความผิดของพระนี่มันมีหลายระดับไงคุณเตือนใ จ, จความผิดหนักสุดนะี่คือโทษประหารชีวิตนะคือออกจากความเป็นพระไปเลยความผิดอย่า ง, างที่สองคือจำคุกจำคุกอย่างน้อยก็ต้องมีเจวันในะอย่างมากก็เท่าที่วันที่ปกปิดเอาไว้นั่นคืออบัติที่ชื่อว่าสังฆาธิเศษเป็นคุกของพระน ะ, ะคุณจะต้องไปอยู่ท้ายแถวโน่นนะใครมาคุณจะต้องประจานความผิดตัวเองอยู่ร่มในร่มชายคาเดียวกันไม่ได้คุณมีกี่รรษา30มรรษาใช่ไหมไปอยู่ท้ายแถวกราบพระเพิ่งบวชใหม่ อย่างนี้เป็นต้นนี่คือติดคุกของพร ะ, ะนะหรืออย่างที่สามโทษก็คือเบาลงมาอีกก็โทษถูกปรับนะถูกปรับด้วยอะไรถูกปรับด้วยกุศลธรรมอย่างมากก็อาบัตชื่อว่าถุนละใจถูกปรับด้วยกุศลธรรมนะเขาชื่อว่าปาจิตตีคือกุศลธรรมของเราจะหลุดล่วงลงไปนะคือความดีเราหลุดออกไปอ่ะอย่างงี้นะสมมติเรามีห้านิ้วอย่างเงี้ย<ช>เราถูกตัดออกไปนิ้วหนึ่งละนะถูกตัดเอาไปนิ้วหนึ่งก็เหลือสี่นิ้วอ่ะก็แค่นั้นเองแต่ว่าถ้าเราไม่ปรองอาบัตนะ แผลมันยังมีอยู่มันก็จะเลือดไหลยอยู่แต่นิ้วต่อไม่ได้นะถ้าลงอาบาัตแค่สมานแผลเฉยๆแต่นิ้วต่อไม่ได้อย่างนี้เป็นต้ น, นก็คือถ้าเราทําผิดอันนี้ก็จะเป็นอย่างเช่นการตีภิกษุอย่างเงี้ยตีเพื่อนภิกษุ ด, ด้วยการตีคนนู้คนนี้เนี่ยคือการประหารเนี่ยชื่อว่าผิดอาบัตอย่างอย่างที่สอย่างที่สีน่นี้คืออาบัตอย่างเบาชื่อว่าทํากุศลทําให้ตกล่วงลงไปอืถ้าจะพูดกันตามจริงๆะนะมันไม่มีโทษที่จะไปเอาให้ใครสึกได้หรอก นะสึกได้เนี่ยมันก็แค่ผิดพาราชิกสีเท่านั้นเองมันค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้วไอ้พวกนี้เป็นอาบัติเบาที่ที่เราเห็นตามข่าวนะอืมก็จะเป็นอาบัตเบาไม่ได้อาบัตหนักมากอืมเจ้าค่ะก็สามารถแก้ไขได้ด้วยการด้วยวาจาได้ลักษณะนี้เจ้าค่ะอืมทีนี้โยมอยากขออนุญาตกราบน้ำส ก, การเรียนถามพระอาจารย์พิบุรอภิปุโนนะเจ้าค่ะทีะ่เขาบอกว่าพระโปรงอาบัตเนี่ยเจ้าค่ะ ก็คือการปฏิบัติอย่างไรเจ้าค่ะคิดว่าคงจะมีโยมอีกหลายหลายท่านรวมทั้งตัวโยมเองนะเจ้าค่ะที่อยากจะทราบว่าที่บอกว่าพระปรงอาบัตินั้นทำอย่างไรเจ้าค่ะโปรงอาบัติอาบัติคือความผิดใช่ไหมปรงอาบัติก็คือการเปิดเผยความผิดของตัวเองออกมาคุณมีความผิดอะไรคุณเปิดเผยออกมาเป็นคนที่เปิดเผยความผิดตัวเองคือเอาความผิดของเจ้าของมาประจาน เอาความผิดของตัวเองเนี่ยมาประจานให้คุณนิก็รู้ในที่นี้ก็คือประจานให้เพื่อนที่เราอยู่ด้วยกันทราบอย่างประสงค์อย่างเงี้ยนอนกลางวันเนี่ยต้องปิดประตูนะล็อกด้วยถ้าไม่ล็อกไม่ปิดประตูคุณเป็นอาบัตมีความผิดทำยังไงสมมุตินอนกลางวันแล้วลืมล็อกประตูใช่ไหมตายละเราลืมล็อกประตูเฮ้ย oh, ทำยังไงคือสมัยก่อนมันมีเรื่องไงคุณเตือนใจมีผู้หญิงแอบเห็นพระนอนอยู่ใช่ไหมแอบเข้ามาคมคืนพระ ก็เลยต้องปิดประตูพระรุจาเลยให้ปิดประตูแล้วล็อกด้วยตอนกลางวันนะอ่าก็ก็พอมีกฎนี้ออกมาเสร็จปุ๊บถ้าเราเราเป็นใช่ไหมตายแล้วเราพลั้งเผลอก็ต้องไปหาพระองค์หนึ่งนะมาเปิดเผยความผิดของเจ้าของตัวเองเออท่านคเจ่ะวันนี้ผมนอนแน่แล้วลืมเปิดประตูไว้ไม่ได้ล็อกเป็นความผิดนะขอมีสติหลงลืมนะต่อไปตั้งใจว่าจะไม่ทําอีกขอให้ท่านรักษาเอาไว้ พิสุองนั้นก็บอกว่าดีละดีละขอให้ท่านมีสตินะต่อไปอย่างทําอีกไอองค์ที่มีความผิดก็กว่าอกครับต่อไปนี้ผมจะไม่ทําอีกตั้งใจไว้ละว่าอย่างนี้นี่คือการปรองอบับดแ ต, แต่แต่สมัยนี้นนก็จ ะ, ะจะพูดกันด้วยภาษาบาลีจุบใช่ไหมเจ้าคะใช่แต่เดี๋ยวนี้ก็จะพูดกันด้วยภาษาบาลีซึ่งไม่รู้ว่าคนพูดเข้าใจหรือเปล่าแต่ถ้าถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วมาเดินไปเหยียบหอยอย่างเงี้ยว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะเหยียบหอยเลยแต่รู้สึกไม่สบายใจ เงั้นเราไปปรองอบับดีกว่าเราก็จะไปหาพระมารูปหนึ่งแล้วก็บอกว่าท่านวันนี้ผมไปเดินเหยียบหอยรู้สึกไม่ดีเลยต่อไปจะมีสติสัมปชัญญะมากกว่านี้จะไม่เดินมืดๆหรือจะเอาไฟฉายไปด้วยปกติเราก็จะเดินมืดๆไปเราก็จะไม่เอาไฟฉายอนะเจออะไรก็เราก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่รู้สึกไม่สบายใจถ้าไปเหยียบหอยตายอ่าต่อไปจะเอาไฟฉายไปละว่า<ช>อย่างงั้นอืมก็ะจะเป็นลักษณะนี้ก็เหมือนกับเป็นเป็นสิ่งที่ ขัดเคืองหรือว่าเรารู้สึกว่าเราเอ่อรู้สึกผิดอยู่ในใจอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าคะค ก, าการปรงอบัดก็คือการไปอบอกแจ้งให้ใครได้รับทราบให้เขาได้รู้ว่าเราเราเป็นอย่างนี้เราทําผิดแล้วเราก็จะไม่ทําอีกอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าคะใช่ ค, <ะ>ความผิดเนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้คุณเตือนใจถ้าปกปิดเอาไว้เนี่ยมันจะยิ่งเจริญะนะมี3ามอย่างในโลกมีสาอย่างในโลกที่ยิ่งปกปิดเอาไว้เนี่ยยิ่งเจริญอย่างแรกเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดถึงมนของพวกพราหมณ์ อย่างพวกพรามเขาทำมนอะไรกันนี่นะเขาจะทำกันอย่างลับๆมุกมิบทำงื้อๆนี่ยิ่งเจริญน้ำมนนั้นจะยิ่งเจริญอย่างพวกมนตรายเพศอย่างที่ในสมัยก่อนที่พระเจ้าเคยพูดอะนะอย่างที่สองที่ปกปิดไว้ยิ่งเจริญคือความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามการมีชู้การมีกิ๊กอย่างเงี้ยยิ่งปิดนะยิ่งเจริญเป็นอย่างงี้สิอย่างที่สามเนี่ยคือเจริญในที่นี้ไม่ดีถูกไหมเจ้าค่ะ เิ่งที่ว่ามันจะไม่ดียิง <c oughs> ่งมันจะยิ่งมันจะยิ่งลึกลงไปลึกลงไปมีมากขึ้นมีมากขึ้นว่างั้นเถอนะอย่างที่สามนั้นคือมิจฉาทิฏฐิเนี่ยถ้ายิ่งปกปิดไว้จะยิ่งมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างความผิดที่เรามีเนี่ยมันเป็นมิจฉาทิฏฐิเราทําผิดเนี่ยเราหลงสติเผลอสติอย่างเงี้ยพลั้งเผลอสติเนี่ยถ้าปิดไว้มันจะยิ่งเจริญคนที่มีอาบัติเล็กๆน้อยๆนะคุณเดินใจ ปิดไว้เดือนหนึ่งสองเดือนไม่ทําไม่เปิดเผยออกมาแล้วก็ทําผิดซ้ําๆอยู่เนี่ยเดี๋ยวต่อไปมันก็จะผิดมากขึ้นออืะผิดมากขึ้นหลายๆตัวมากขึ้นมันผิดหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นบางทีหลุดจากความเป็นพระไปเลยรู้ช่าเคยเปรียบเทียบเอาไว้นะพระที่สั่งสมอาบัติอย่างเงี้ยไม่รู้จักปรงอาบัติไม่รู้ว่าอะไรเป็นอาบัติอะไรไม่เป็นอาบัติไม่เปิดเผยความผิดของตัวเองออกมานะเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ <Okay. S 2> ใบเนี่ยค่อยๆร่วงลงไปร่วงใบร่วงแล้วกิ่งน้อยๆก็หักกิ่งน่าหนักกิ่งใหญ่หักกิ่งใหญ่หักลำต้นหักลําต้นหักโคนหักเลยตายาเป็นอย่างนี้ก็มีคอแต่มีอยู่อีกสามอย่างตรงข้ามกันที่ยิ่งเปิดเผยเนี่ยยิ่งเจริญเจา้าค่นะอย่างแรกคือพระจันทร์พระอาทิตย์ขออภัยพระอาทิตย์เนี่ยยิ่งถ้าไม่มีเมฆอะไรมาปิดบังเนี่ยโอ้สว่างจ้าสบายใครก็เห็นแสงเต็มที่ใช่ไหม พระจันทร์ก็เหมือนกันถ้าไม่มีราหูอมจันทร์ไม่มีสุริยุจันทรูปราคาไม่มีเมฆมาบังเนี่ยโอพระจันทร์ยิ่งๆสองสว่างเต็มทีนะ่อย่างที่สามเนี่ยก็คือธรรมะวินัยที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ดีแล้วยิ่งเปิดเผยยิ่งเจริญเจ้าค่ะเพราะนัะอย่างเราจัดรายการนี้ใช่ไหมเปิดเผยให้คนฟังฟรีนะคนมารู้ธรรมะวินัยของพระเจ้ามากเท่าไหร่ยิ่งเจริญมากเท่านั้นจิตนะใ จ, จ ค, คนฟังก็เจริญ ใช่ไหมผู้ที่แสดงธรรมคนฟังอยู่คนเอาไปใช้ยิ่งเจริญโอ้ยสังคมมีแต่ความเจริญอย่างเงี้ยนะเจ้ค่ะเจ้าค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นความดีองอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ใเจ้าค่ะและอย่างพระสงฆ์เนี่ยจึงมีระบบที่เรียกว่าเป็นระบบของอาบัตนะคือการทําความผิดแล้วก็ประกาศความผิดของตัวเองออกมาเจ้าค่ะนะซึ่งอันนี้พระพุทธเจ้าเริ่มมาใช้ในระยะประมาณสักสิบยีปีหลังจากที่ตรัสรู้แล้วนี่แหละ อืมเจ้าค่ะได้มา ก, กําหนดขึ้นภายหลังนะเจ้าคะ<ช>และสิ่งที่เราสนทนากันมาในวันนี้นะเจ้าคะเ อ, อจะตรงกับพระคถาที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ได้ตรัสไว้ในสมัยโน้นยังไงเจ้าคะบทไหนเจ้าคะคือเป็นเรื่องที่พระเจ้าได้พูดถึงว่าตัวเองตัวพระองค์เองเนี่ยปวนารนณาให้ภิกษุอื่นเนี่ยมาติเตียนได้ทางการวรจาใจใช่ไหม เราก็าพิกสุอื่นก็เลยเดือดร้อนเป็นเดือดร้อนว่าให้มาตีเตียนชั้นดีกว่าตีเตียนชั้นดีกว่ า, เ, วาเป็นอย่างนี้นะก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวในการปรวนาวรณากันขึ้นมาสุดท้ายพระพเจ้าสรุปในท้ายพระสูตรนี้นะบอกว่าบุคคลเนี่ยพึงเป็นผู้ไม่ประมาทในคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าตั้งใจศึกษาไตรสิกขาด้วยปฏิปทาอันเลิศในการทุกเมื่อเถิดคือสรุปว่าถ้าใครทําอย่างนี้แล้วเนี่ยเธอก็จะเป็นผู้ที่หาโทษไม่ได้ เป็นผู้ที่ไม่มีใครจติตเตียนได้ว่างนั้นเถอะเจ้าค่ะดังนี้เจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นพระพิกสุทธิ์ที่เรียกว่าปฏิบัติศีลธรรมแล้วก็ประพฤติตนบริสุทธิ์มดงามจริงๆนะเจ้าค่ะพระเจาใช้คําว่าปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบเจ้าค่ะทีนี้สําหรับคารวาสเราเจ้าค่ะอยากขอให้พระอาจารย์ไพรวิรุญอภิปุโนได้เมตตาที่จะฝาก ทิ้งไว้สําหรับท่านผู้ฟังทางบ้านเป็นแง่คิดในวันนี้ในหนึ่งนาทีสุดท้ายของรายการเราเจ้าค่ะนิ ม, ม, มนต์เจ้าค่ะเว้นคารวะก็เหมือนกันให้เป็นผู้ที่มีสติอยู่ทุกเมื่อนะมีความผิดใดเกิดขึ้นในใจเนี่ยเราก็ปรงอบับดับได้เหมือนกันเหมือนกับพระนี่แหละโดยการไปบอกความผิดของเราเนะ่สมมติเราเคยโกหกมาทําอะไรไม่ดีไว้เราเปิดเผยออกมาเราจะสบายใจนะ<า>เราก็มีสติอยู่ทุกเมื่อจะทําให้เป็นผู้ที่ มีความเพียรทําสิ่งที่ดีได้นะป้องกันอกุศลธรรมทําจิตให้มีกุศลอยู่ได้ดังนี้เจนะ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ฝากไว้เป็นแง่คิดสําหรับท่านผู้ฟังทางบ้านจากรายการธรรมาราบรุนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวันอาทิตย์นี้นะคะซึ่งอีกไม่กี่วันเราก็จะถึงวันที่จะพระภิสุสงฆ์ท่านได้มีการโปรณนาที่จะออกพรรษากันแล้วหลังจากออกปรรษาก็คงจะมีเรื่องของการที่ มีงานบุญงานกุศลที่คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านทราบกันดีนะคะก็คือเรื่องของการที่จะมีการทอดกระถินกันซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ของอพุทธศาสนิกชนเราที่จะเดินการนะคะท้ายรายการวันนี้จึงอยากจะขออนุญาตาเรียนเชิญชวนท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะไดอ้อย่างน้อยในหนึ่งปีนั้นเราก็คงจะต้องร่วมทาบุญ ทอดกระสินณะวัดไดวัดหนึ่งนะคะเพื่อความสุขความเจริญและก็ความสมุบสุขของจิตใจเราและถ้าหากท่านผู้ใดยอยากจะอาได้มาเป็นลูกศิษย์ของพระเกจิพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดทิโทภาโสและพระอาจารย์ภพบูญอภิพุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็เรียนเชิญได้นะคะเพราะว่าทางวัดป่าดอนหายโศกนั้นอาในปีนี้จะมีการทอดกระสินกันนะคะ ในวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมค่ะซึ่งก็เป็นวันอภิเษมหาราชที่เราจะล้ำลึกถึงพระคุณของอพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5กันนะคะถือว่าเป็นวันที่เป็นมงคลอย่างยิ่งสําหรับท่านผู้ฟังที่ยังไม่ได้มีจุดหมายที่จะไปทอดกระินนวัดใดก็ขอเรียนเชิญได้ที่วัดป่าดอนไหโฉกนะคะเราจะพบกันที่นั่นแล้วก็มาร่วมกันทอดกรถินเพื่อที่จะทําให้พระบูชสดของวัดป่าดอนไหโฉกนั้น าสร้างได้สําเร็จเรียบร้อยนะคะอยากให้ท่านได้ไปรู้จักจกับทางวัดปาดอนหายโศกแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปกราบน้ำสการพระเดชพระคุณหลวงพ่ อ, รอดรสะอาทิโทุพโสและพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโ น, โนโ ด, ด, ด้วยกันนะคะเรียนเชิญชวนไว้ในท้ายรายการวันนี้ค่ะค่ะทผู้ฟังคะถึงเวลาที่เราจะต้องลาจากกันแล้วล่ะคะ่ะสาหรับรายการธรรมาราบุรุญในเช้าวันอาทิตย์นี้นะคะดิฉันจะมีโอกาสที่จะมสาสักการะหรือสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนโ แห่งวัดป่าดอนไหโศกอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะจนกว่าจะพบกันในวันเสาร์อาทิตย์หน้าตอนตี5้าถึงตีห้าครึ่งเหมือนเคยนะคะสําหรับชาวั น, นีเรามากราบน้ัสการขอบพระคุณแล้วก็กราบลาพระอาจารย์พิธีบูลอภิปุณโณลูกศิษย์เอกของพระเดชพระ ค, คุณหลวงพรร่อท่านเสอาดที่ทัวพโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกตาบลดอนไหโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีพร้อมกันเลยนะคะกราบน้ำพิธีการขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาเจริ์พานสาธุเจ้าขา